พุทวะสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะสรรณณีนาถพงศ์และ FM 106 แห่งนี้โดยมีพระ ธรรมะนั้นกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกเรื่องหนึ่งด้วยๆซึ่งอืมเมื่อวานนี้ นะว่าขั้นตอนการทํางานเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่มีอินทรีย์ก่อนนั่นคือ ไปตามการเปลี่ยนแปลงของภัสสะเหล่านั้นนะถ้าภัสสะนี้เป็นทําให้เกิดอารมณ์ที่ชอบใจเราก็จะเพลิดเพลินไปนะถ้าภัสสะนั้นจะ ไป. 2 <ทะ S 1> ก็คือ จิตเนี่ยจะ 2 ค่ะคือจะบอกท่านทั้งหลายซึ่งอาจยังไม่คุ้นเคยกับภาษาธรรมะบอกท่านทั้งหลายง่ายๆที่เราหงุดหงิดอารมณ์แล้ว จะเปิดโทรศัพท์เข้าไปนั่งอ่านหลายอ่านๆอยู่ได้มันมาเจอเรื่องบางเรื่องจี๊ดเนี่ยต้อง แล้วมันก็รวดเร็วมากมันส่ง 2 วิธีคือให้ลดอ่านี้ออกแล้วอันเนี้ยดิฉันว่าวิธีที่<ใช> 2 อ่ะดีนะคะใช่แล้ว การมีสติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างค่ะนะอย่างเช่นว่า 1 นั่นคือใช้กายเป็นฐานที่ตั้งเค้าเรียกว่าเอ่อกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ข้อความนั้นนะก็ใช่มั้ยเออถ้าเราเห็นธรรมะตรงนี้อันนี้คือ <ใช>บอกว่าประดาศสัตว์ต่างคนก็แต่ละจิตแต่ละใจอีกอันนึงนะคะ เอ่อตรงเนี้ยพอเราเห็นด้วยปัญญาๆว่าอ้าวปัญหามันไม่ได้อยู่ข้างนอกเนี่ยเนาะ เป็นประโยชน์ค่ะแต่ทีนี้อาจจะมีคนที่แย้งกับท่านอย่าง ก็แม็กก็เชื่อของตัวก็ถูกต้องเหมือนกันสิ่งที่ตัวเองเชื่อนั้นถูกต้องในขณะ เอ่อคุณโยมเดี๋ยวลองลองคิดดูนะตอนนั้นพระเจ้าตรัสรู้แล้วนะแล้วก็เอ่อบอกสอนพระมัจฉพกิแล้ว <ฮ ะ. S 1> 62 ศาสนานะนั้นแล้วก็ ความเชื่อที่เขามีอยู่เชื่อที่เค้ามีอยู่แล้วเรื่องศาสนาเนี่ยมันเหมือนไอ้เรื่องการเมืองนะคุณโยมติวตรงที่ว่าถ้าใครเชื่อปักใจแล้ว มันมันคือมันเรื่องของตัวบุคคลน่ะคุณไม่ชอบบุคคลนี้คุณไม่คุยกันไม่ได้ใช่มั้ยงั้นยกไว้ก่อนคุณอุดมการณ์กิน ก็ๆกันถูกมั้ยแต่วิธีการอ้าวแนวทางอาจจะไม่เหมือนกันอ้าวคุณก็แนวทางไม่เหมือนกันไม่เป็นไรก็ค่อยๆคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันตรงที่มันลงกันได้เข้ากันได้ 60 รูปแรก 60 รูปแรก 2 คนนะแล้วก็มี<ใช> นั่นนี่คือเค้าเรียกว่าเอ่อเป็นเอ่อโอวาทปฏิโมกข์ล่ะตอนนั้นเอ่อที่ประชุมภิกษุตอนนั้นน่ะก็พูดถึงโอวาทปฏิโมกข์นะหนึ่งในอันนั้นก็พูดถึงการที่ต้องมีความอดทน <Okay. S 1> อะไรที่ยังเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ยกไว้ก่อนแล้วเรา มันพูดแล้วทะเลาะอืมต้องยกเอาอันนั้นไว้แต่ไม่ได้ ขอให้เป็นวงที่ประสบความสําเร็จกันแล้วกันอืมและอันเนี้ยจะว่าไปภูมิปัญญาของพระพุทธองค์ก็ เพราะฉะนั้นว่าอย่าแตกกันให้สมานกันก็ด้วยความเป็นโทษนะคือถูกลงโทษนั่นแหละถูกความบาดนะทําค่ะที เออไว้เดี๋ยวคงต้องอธิบายเยอะหน่อยนะคะเรียนท่านว่าท่านบอกอืมอย่างงี้ถ้าอธิบาย กบบวชดีมั้ยบวชไม่ไม่ไม่เอาอ่ะทางการเดี๋ยวชวนชวน น่ะก็เป็นเหตุอันเดียวกันนั่นคือเรื่องของกาม 2 ฝ่ายพุ่งเข้าทำลาย ไม่ได้แล้วมันก็ต้องตีกันล่ะแล้วอย่างงั้นๆที่พูดค่ะท่านค่ะทีนี้ดิฉันเองเคยผ่านตา ตัณหาเนี่ยแยกไปเป็น 2 อย่างนะคือตัณหาเป็นไปเพื่อการแสวงหาหรือตัณหาที่เป็นไปเพื่อ แต่มีความตระหนี่มีเรื่องราวที่เกิดจากค่ะอันนี้คือสายที่เกิดจากการตัณหาละไปแสวงหาต้นค่ะแต่ที่ดิฉันกราบเรียนถามท่านคือว่าจะถามว่าอ่าที่ว่าการทะเลวิวาทเกิดวันสามสิ่งอย่างเนี้ยรวม มันในความอยากกับตัณหากับกามเป็นอันเดียวกันถูกต้องเป็นอันเดียวกันนะคะอ่าบางๆกับปัญญาแต่ว่ามันๆกันพลิกนิดเดียวมีหรือว่า พลิกนิดเดียวคลายปัญหาเลยถ้าใช้ปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องถูกต้องใช่แต่นี่ไม่ใช่ภุทโวจนะนะค่ะอัดเรส ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะจะได้เข้าใจซะว่าอ๋อที่เราพยายามและ วันพรุ่ง